เรื่องสะโบครณีสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งประสงค์จะสร้างสะโบครณีถวายสงค์ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสัโบคหรณีขอบสะโบคหรณีสุดพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อขันกั้นขอบสะโบคหรณีได้สามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบันไดาสามอย่างคือบันไดอิฐบันไดศิลาบันไดไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพระตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวสําหรับยึดน้ําในสระโบครณีเก่าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางระบายน้ําท่อระบายน้ําสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะสร้างเรือนไฟมีปั้นลมถวายสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเรือนไฟมีปั้นลมสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวคีอยู่ปราศจากผ้าภูนั่งถึงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงอยู่ปราศจากผ้าปูนั่งถึงสี่เดือนรูปใดอยู่ปราศจากต้องอาบัตทุกกฏเรื่องทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้สมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพัคีนอนบนที่นอนโรยด้วยดอกไม้ คนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นเข้าจึงตำหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนกระหัตผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงนอนบนที่นอนโรยด้วยดอกไม้รูปใดนอนต้องอาบัตทุ ก, กฎเรื่องทรงอนุญาตรับของหอมสมัยนั้น คนทั้งหลายถือของหอมบ้างดอกไม้บ้างมาวัดภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับของหอมแล้วเจิมไว้ที่บานประตูนหน้าต่างรับดอกไม้แล้ววางไวด้านหนึ่งในวิหารสมัยนั้น สันถัดขนเจียมเกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสันถัดขนเจียมต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าสันถัดขนเจียมต้องอธิษฐานหรือต้องวิกลับพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสันถัดขนเจียมไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องวิกลับ สมัยนั้นผู้พิสูจน์ชาวคีฉันอาหารโตกคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุไม่พึงฉันอาหารโตกรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นพิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ เมื่อจะชันอาหารไม่สามารถจะใช้มือประคองบาทได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชิงบาทเรื่องห้ามชันในภาชนะเดียวกันเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุชาพาคีชันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างเด่มน้ำในขันเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงมีเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนบนเตียงมีผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนบนเตียงมีผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้า ป, ปูและผ้าห่มบ้างคนทั้งหลายตําหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคตามภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันอาหารในภาชนะเดียวกัน ไม่พึงเดิมน้ำในขันเดียวกันไม่พึงนอนบนเตียงเดียวกันไม่พึงนอนบนเตียงมีเครื่องลาดเดียวกันไม่พึงนอนบนเตียงมีผ้าห่มผืนเดียวกันไม่พึงนอนบนเตียงมีผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูและผ้าห่มรูปใดนอนต้องอาบัดทุกกฏเรื่องเจ้าวัฒลิชวีสมัยนั้นเจ้าวัฒลิชวีเป็นสหายของพระเมติยะและพระภูมิมจักครั้งนั้น เจ้าวัทลิชวีได้เข้าไปหาพระเมติยะและพระภุมมัชกะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระเมติยะและพระภุมมัชกะดังนี้ว่าพระคุณเจ้ายมไหว้ขอรับเมื่อเจ้าวัทลิชวีกล่าวอย่างนี้พระเมติยะและพระภุมมัชกะก็ไม่ยอมพูดด้วยแม้ครั้งที่สองเจ้าวัทลิชวีก็กล่าวกับพระเมติยะและพระภูมมัชกะดังนี้ว่า โยมไหว้ขอรับแม้ครั้งที่สองพระเมติยะและพระภูมิมาจจกะก็ไม่ยอมพูดด้วยแม้ครั้งที่สเจ้าวัฒลิชวีก็กล่าวกับพระเมติยะและพระภูมิมาจจกะว่าโยมไหว้ขอรับแม้ครั้งที่สพระเมติยะและพระภูมิมาจจกะก็ไม่ยอมพูดด้วยเจ้าวัฒลิชวีกล่าวต่อไปว่าโยมมีความผิดอะไรต่อพระคุณเจ้า ทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมพูดกับโยมภิกษุทั้งสองตอบว่าจริงอย่างนั้นแหละวะะัฏทะพวกเราถูกพระทัพพระมรบุตรเบียดเบียนท่านก็ยังทําเพิกเฉยอยู่ได้เจ้าวัฏทะลิฉวีถามว่าโยมจะช่วยได้อย่างไรขอรับภิกษุทั้งสองตอบว่าวะะัฏทะถ้าท่านเต็มใจช่วยวันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพระมรบุตรเึก เจ้าวัทนลิฉวีถามว่าพระคุณเจ้ายมจะทําอย่างไรจะช่วยได้ด้วยวิธีไหนภิกษุทั้งสองตอบว่ามาเถิดวัทน์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ไม่สมควรไม่เหมาะสมทิศ ท, ที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภยัย ที่ที่ไม่เคยมีเสนียจันไรก็กลับมีเสนียรจันไรที่ที่ไม่มีอุปัทตะวะก็กลับมีอุปัตตะวะในที่ที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้ำก็ดูเป็นเสมือนน้ำร้อนขึ้นมาประชาปดีของหม่มฉันถูกพระทัพพระมรบุตรรรมิดีมิร้ายเจ้าวัฒนลิชวีรับคำของพระเมติยะและพระภูมิมัจกะแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันถึงแล้ว ได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ไม่สมควรไม่เหมาะสมทิศที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภัยทิศที่ไม่เคยมีเสนียจันไรก็กลับมีเสนียจันไรทิศที่ไม่มีอุปทวะก็กลับมีอุปทวะในทิศที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้าก็ดูเป็นเหมือนน้าร้อนขึ้นมา ประชาปดีของหม่อมฉันถูกพระทัพพระมรบุตรทํามิดีมิร้ายทรงประชุมสง์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าทัาพพระเธอจําได้ไหมว่าได้ทําตามที่เจ้าวัฒนะนี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรถามท่านพระทัพพระมรบุตรแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคตรถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าทัพพระเธอจําได้ไหมว่าได้ทําตามที่เจ้าวัฒน์ี้กล่าวหาพระทัพพระมรบุตรก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทัพพระบัณฑิตย่อมไม่แยแคําำกล่าวหายอย่างนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำถ้าเธอไม่ได้ทำก็จงบอกว่าไม่ได้ทำพระองค์ผู้เจริญตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักการเศษเมถุนธรรมแม้ในความฝันไม่จาต้องกล่าวถึงเมื่อตอนตื่นอยู่ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงคว่ำบาตรเจ้าวัฒลิฉวีคือห้ามสมโภคกับสงฆ์เหตุแห่งการคว่ำบาตรสงพึงความบาตอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการคือหนึ่งขนาควเพื่อไม่ใช่แลาบของภิกษุทั้งหลายสอนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย สขวัญขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้แห่งพิกษุทั้งหลาย 4. ีด่าบริภาพพิกษุทั้งหลาย 5. ยุโยงพิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 6. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 7. กล่าวติเตียนพระธรรม 8. กล่าวติเตียนพระสงฆ์พิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ความบาดอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการนี้วิธีความบาตและกรรมวาจา ภิกษุทั้งหลายสงพึงความบาศอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยย ต, ติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัฒนลิฉวีใส่ความท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลถ้าสมพร้อมกันแล้วพึงความบาศเจ้าวัฒนลิฉวีห้ามสมโภคกับสงนี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัทนะลิฉวีใส่ความท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลสง์ความบาเจ้าวัทนะลิฉวีห้ามสมโภคกับสงฆท่านรูปใดเห็นด้วยกับการความบาเจ้าวัทนะลิฉวีห้ามสมโภคกับสง์ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพนนนึงทักท้วงเจ้าวัทนะลิฉวีถูกสงฆ์ความบาห้ามสมโภคกับสงฆ์แล้ว สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้พระอาห น, น์ไปแจ้งข่าวเจ้าวัทธลิชวีครั้นเวลาเช้าท่านพระอาหนนครองอัตราวาศกถือบาตและจีวรเข้าไปยังนิเวศของเจ้าวัทธลิชวีได้กล่าวกับเจ้าวัทธลิชวีดังนี้ว่าวัทธสงความบาต ท, ท่านห้ามสมโภพกับสง ครั้นเจ้าวัฒลิชวีทราบข่าวว่าสงฆ์ความบาปห้ามสมโภคกับสงฆ์จึงสลบลม้มลงที่นั้นเองขณะนั้นมิดามาดญาสาโลหิตของเจ้าวัฒลิชวีได้กล่าวกับเจ้าวัฒลิชวีดังนี้ว่าท่านอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยพวกเราจะขอให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ยกโทษให้ครั้งนั้นแลเจ้าวัฒลิชวีพร้อมกับโอรสและชายา มิตรอมาตย่าสาโลหิตมีผ้าเปียกผมเปียก้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ซพศีรษะลงแท่พระยุคลบาทแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญมอมฉันเดีกระทําความผิดเพราะความโง่เขลาเบาบรรยาที่ได้ใส่ความพระทัพพระมรบุตรด้วยศิลวิบัติที่ไม่มีมูลขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่มอมฉัน เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าเอาเถิดการที่ท่านได้ทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาบัญญาที่ได้ใส่ความพระทัพพระมันระบุตรด้วยศิลวิบัติที่ไม่มีมูลเพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นเรารับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไป นี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจ ง, งงายบาทเจ้าวัฒลิชวีให้สมโพธ ก, กับสงได้เฮถ่งการงายบาทภิกษุทั้งหลายสงพึงงายบาทอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์ 8. ประการคือหนึ่งไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ไม่ข้นขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3. ไม่ข้นขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 4. ไม่ด่าบริภาษภิกษุทั้งหลาย 5. ไม่ยุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 6. ไม่กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 7. ไม่กล่าวติเตียนพระธรรม 8. ไม่กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้หายบาทอุบาสก ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการนี้วิธีหลายบาทและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงหงายบาทอย่างนี้เจ้า ว, วาัฒนิฉวีนั้นพึงเข้าไปหาสงค่มอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสงความบาเข้าพเจ้าห้ามสมโค ก, กับสงเข้าพเจ้านั้นกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่ง กลับตัวได้แล้วขอการงางบาศกับสง์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้จลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงความบาดเจ้าวัฒลิชวีห้ามสมโค ก, กับสงเจ้าวัฒลิชวีนั้นกลับระพฤตชอบหายเยยยิงกลับตัวได้ ขอาการหงายบาท ต, ต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงหงายบาทเจ้าวัฒลิชวีให้สมโพกับสงฆ์ได้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์ความบาตรเจ้าวัฒลิชวีห้ามสมโพกับสงฆ์เจ้าวัฒลิชวีนั้นกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอาการหงายบาทสงฆ์หงายบาทเจ้าวัฒลิฉวีให้สมโคกับสงฆ์ได้ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการงายบาทเจ้าวัฒนลิชวีให้สมโภคกับสงได้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงเจ้าวัฒนลิชวีสงไหบาทให้สมโภคกับสงได้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงเวสาลีตามพระอธียาศัยแล้ว สเสด็จจาริกไปทางพัคชชนบทสเสด็จจ้าเรึกไปโดยลำดับจนถึงพัคชชนบททราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพศกะลามรกทัยวันเมืองสูงสุมาระคีระในพัคชชนบทนั้นเรื่องโพธิราชกุมารสมัยนั้นโพธิราชกุมารสร้างประสาทโกกนุษย์เสร็จได้ไม่นานยังไม่ได้นิมนต์สมณพราหมณ์หรือเชิญมนุษย์คนไหนมา ครั้งนั้นโพธิราชกุมารสั่งมานพสัญชิกาบุรว่ามาเถิดสหายสัญชิกาบุรท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายอภิวาทแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและทูลถามถึงการมีพระประชวนเบาบางความมีพระโรคาพาทน้อยทรงมีความกระปี้กระเปา่าพระพารณมัยสมบูรณ์ทรงพระเกษสมสราญแล้วทูลนิมนต์ว่า ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตหานของโพธิราชกุมารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าข่ามานพสัญชกาบุตรรับคํำสั่งโพธิราชกุมารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่า โพธิราชกุมารขอถวายอภิวาทพระอายุคนละบาทของพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล่าวทูลถามพระประชวนเบาบางมีพระโรคาพาทน้อยทรงกระปรี้กระเปา่าพระพารณมัยสมบูรณ์ทรงพร ะ, กะเกษมสําราญและกราบทูลนิมนต์อย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัตหานของโพธิราชกุมารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุจหนีภาพครั้นมานพสัญชิกาบุดทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารณที่ประทับได้ทูลดังนี้ว่ากล้าวกระหม่อมได้กราบทูลพระโคดมนั้นตามรับสั่งของพระองค์แล้วว่าโพธิราชกุมารขอถวายอภิวาสพระยุก ค, คลบาทของท่านพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล่าว ทูลถามพระประชวนเบาบางมีพระโรคาพาดน้อยทรงกระปรีกก้กระเป่าพระพารณมัยสมบูรณทรงพร ะ, กะเกษมสาราญและกราบทูลนิมนต์อย่างนี้ว่าขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัตาหารของโพธิราชกุมารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ก็พระสมณะโคดมทรงรับนิมนต์แล้วครั้นผ่านราตรีนั้น พอทีราชกุมารรับสั่งให้เตรียมของเคี้ยวของฉันที่ประณีตรับสั่งให้ใช้ผ้าขาวปูลาดโกกนันวัดประสาทจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายรับสั่งมานพสัญชิกาบุตรว่าท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลพัตการว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข่าพัตหารเสร็จแล้วมานพสัญชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมรารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลพัฒการให้ทรงทราบ พ, พอถึงเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเป็นนิเวศของโพธิราชกุมารเวลานั้นโพธิราชกุมารประทับรอพระผู้มีพระภาคอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกท่อพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคกําลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จไปต้อนรับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาค แล้วเชิญพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเข้าโคกนุประสาดพระผู้มีพระภาคประทับยืนใกล้บันไดขั้นต่ําสุดโพธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าขา่าขอพระผู้มีพระภาคโปรยทรงเหยียบผ้าพระพุทธเจ้าขา่าขอพระสุคตโปรยทรงเหยียบผ้าอันจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มอมฉันตลอดกาลนานเถิด เมื่อพระราชกุมารกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงดุสนีภาพแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามโพธิราชกุมารก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงเหยียบผ้าพระพุทธเจ้าข่าขอพระสุคตโปรดทรงเหยียบผ้าอันจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเก่หม่อมฉันตลอดกาลนานเถิด ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลือบดูท่านพระอานน์ครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้ถวายพระพรโ พ, พธิราชกุมารดังนี้ว่าราชกุมารโปรดม้วนผ้าเถิดพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระตถาคตทรงอนุเคราะห์คนรุ่นหลังโพธิราชกุมารรับสั่งให้ม้วนผ้าและให้ปูอาสนะบนโกกนุประสะชั้นบน พระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นโกโกนุประสาสต์ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระราชกุมารทรงนำของเขี้ยวของฉันอันประนีตประเคีนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระองค์เองกระทั่งพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตหารแล้วละพระหัตจากบาทได้ประทับนั่งณที่สมควรลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้โพธิราชกุมารเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาฐานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีกถาแล้วเสด็จกลับเรื่องทรงห้ามเหยียบผืนผ้าขาวสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทำมีกกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบผืนผ้าที่ปูไว้รูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้นสตรีผู้หนึ่งไม่มีคันนิมนต์ภิกษุทั้งหลายแล้วปูผ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายนิมนต์เหยียบผ้าเถิดภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมเหยียบนางกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายนิมนต์เหยียบผ้าเพื่อเป็นสิริมงคลภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมเหยียบ ลำดับนั้นสตรีนั้นจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าชไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายถูกขอเพื่อเป็นสิริมงคลก็ไม่ยอมเหยียบผ้าเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีนั้นตําหนิประนามโพลธนาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกระหัยต้องการสิริมงคลภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุที่ถูกขอเพื่อเป็นสิริมงคลเหยียบผืนผ้าได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายยำเกรงที่จะเหยียบผ้าเช็ดเท้าสะอาดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เหยียบผ้าเช็ดเท้าสะอาดได้ภาณวาระที่สองจบ เรื่องนางวิสาขามิคารมาตาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพัคชนบทตามพระอัจฉริยสายแล้วเสด็จจ้าริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจ้าริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตาวันอารามของอนาถเบนิกะขาปีในกรุงสาวัตถีนั้นครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตาถือหม้อน้ำปุ่มไม้ที่เช็ดเท้าและไม้กวาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์โปรดรับหม้อน้ำปุ่มไม้ที่เช็ดเท้าและไม้กวาดอันจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มอมฉันตลอดกาลนานเถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับหม้อ น, น้ำและไมกวาดแต่ไม่ทรงรับปุ่มไม้ที่เช็ดเท้าจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หนางวิสาขามิคารามาตาเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีาถาลำดับนั้นนางวิสาขามิคารามาตาซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหม้อน้าและไม้กวาด ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ปุ่มไม้ที่เช็ดเท้ารูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่ถูเท้าสามชนิดคือสิลากลวดสิลาฟองน้ำเรื่องพัดครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเถอพัดโปกกับพัดใบตานก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้ว ทวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลอันจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มอมฉันตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หนางวิสาขามฆคารามาตาเห็นชัด และถึงกระทําประทักษิณแล้วจากไปลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตพัดโบกและพัดใบตาลสมัยนั้นแท้ปัดยุงเกิดขึ้นแก่สงภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแท่ปัดยุงแท่ขนจามรรเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้แท่ขนจามรรรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแท่สามชนิดคือแท่ปอแท่แฝกแทะขนนกยุง เรื่องร่มสมัยนั้นร่มเกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตร่มสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพาคีกั้นร่มเดินเที่ยวครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งไปเที่ยวอุทยานกับสาวกของอาชีวกหลายคนพวกสาวกอาชีวก เห็นพวกภิกสุชาพาคีเดินกั้นร่มมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่าเพราะคุณเจ้าผู้เจริญเหล่านี้ของท่านเดินกั้นร่มมาคล้ายโหราจารและมหาอามารอุบาสกกล่าวว่าท่านเหล่านี้ไม่ใช่ภิกสุแต่เป็นปริภาชกขอรับพวกเขาพนันกันว่าเป็นภิกสุหรือไม่เป็นภิกสุลำดับนั้น อุบาสกจำพวกภิกษุที่เข้ามาใกล้ได้จึงตำหนิประนามโพนธนาว่าชนไหนพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายจึงกั้นร่มเดินเที่ยวเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิษุทั้งหลายจริงหรือภิษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกั้นร่มรูปใดกั้นต้องอาบัตดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดร่มไม่มีความผาสุกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข่กั้นร่มได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตร่มแก่ภิกษุไข่เท่านั้นไม่ทรงอนุญาตแก่ผู้ไม่เป็นไข่จึงยำเกรงที่จะกั้นร่มในวัดในเขตวัดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุถึงจะไม่เป็นไข้ก็กั้นร่มในวัดในเขตวัดได้เรื่องไม้เท้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเอาบาทใส่สาแหรกใช้ไม้เท้าคอนเดินผ่านไปทางประตูเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวลาวิกาลคนทั้งหลายบอกกันว่าดูนั่นโจรกำลังเดินไปดาบส่องแสงแวววับแล้วพากันวิ่งไล่จับจาได้จึงปล่อยไป ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านใช้ไม้เท้ากับสาวแฝกหรือภิกษุนั้นรับว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายปัรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามโพนธนาว่าจะไหนภิกษุจึงใช้ไม้เท้ากับสาวแฝกเล่าต่อมาภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ไม้เท้ากับสาแหลรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดไม้เท้าท่านไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์ให้ทันทัสมมตุติแก่ภิกษุผู้เป็นไข้คำขอทันทัส ม, มุติและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ทันทัสมมุติอย่างนี้ภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์โฮมอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมเป็นไข้ขาดไม่เท้าแล้วไม่สามารถจะเดินไปไหนได้กระผมจึงขอทันทตสมมุติต่อสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข้ขาดไม่เท้าแล้วไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ ท่านขอทันทะสมมุติต่อสงฆ์สงพร้อมกันแล้วพืนให้ทันทะสมมุตแก่ภิกษุนั้นนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข่ขาดไม่เท้าแล้วไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ท่านขอทันทะสมมุติต่อสงฆ์สงให้ทันทะสมมุติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ทันทะสมมุตแก่ภิกษุชื่อนี้ ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงท่านท้าสมมตุติสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดสะแเเรกแล้วไม่สามารถนำบาทไปได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สง์ให้สิกาสมมุติแก่ภิกษุไข้คำขอสิกาสมมุติและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สิกาสมมุติอย่างนี้ภิกษุเป็นไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แกลพรนสาทั้งหลายแล้วนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญผมเป็นไข้ขาสะสรกแล้วไม่สามารถนำบาตไปได้ผมจึงขอศึกษาสมมุติต่อสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข้ขาสแสรกแล้วไม่สามารถนำบาทไปได้ ท่านขอศึกกาสมมุติต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ศึกกาสมมุติแก่ภิกษุนั้นนี่เป็นยาติท่านผู้เจริญขอสงดวงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข้ขาเสาแรกแล้วไม่สามารถจะนำบาทไปได้ท่านขอศึกกาสมมุติต่อสงสงให้ศึกกาสมมุติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ศึกกาสมมุติแก่ภิกษุชื่อนี้ ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสิ ก, กาสมมติทรงให้แก่ภิกษุเช่นนี้แล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดไม่เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ขาดสาแหรกก็ไม่สามารถจะนำบาทไปได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงให้ทันทัิกาสมมุติแก่พิษุผู้เป็นไข้คำขอทันทศัศกาสมมุติและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ทันทัิกาสมมุติอย่างนี้ภิกษุเป็นไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่ง กราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผมเป็นไข้ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ขาดสาแลกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ผมขอทันทศิกาสมมุติต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสง์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข้ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ขาดสาแรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ท่านขอทันทศิ ก, กาสมมุติต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ทันทศิ ก, กาสมมตแกภิกษุชื่อนี้นี่เป็นญติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข่ ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ขาสาวแหลกไม่สามารถจะนำบาดไปได้ท่านขอทันทศิกาสมมติต่อสงสงให้ทันทศิกาสมุติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ทันทศิกาสมมติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงทันทศิกาสมุติสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้ว สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องภิกษุสำ ROC อ, อาหารสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยเคี้ยวเอื้อมท่านสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปอีกภิกษุทั้งหลายตาหนิประนามโพลธนาว่าภิกษุนี้ฉันอาหารในเวลาวิกาลแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้พึงจุติมาจากกำเนิดโคภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีนิสัยเคียวเอื้องเคี้ยวเอื้องได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเกลือนอาหารที่ออกมานอกปากแล้วเข้าไปอีกรูปใดเกลือนพึงปรับอาบัตตามธรรมสมัยนั้นสมาคมหนึ่งได้จัดสังกัดมีเมล็ดข้าวตกลาเกลือในโรงอาหารมากมาย คนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเจอสายสักยะบุตรเมื่อเขาถวายเข้าสุขจึงไม่รับโดยเอื้อเฟื้อเล่าข้าวแต่ละเมล็ดกว่าจะสําเร็จได้ต้องใช้กรรมวิธีนับร้อยภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประนามโพลธนาจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หยิบอาหารที่เขาถวายซึ่งตกลงไปขึ้นมาชันได้เองอาหารนั้นพวกทายกเขาบริจาคแล้วเรื่องการไว้เล็บและตัดเล็บสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไว้เล็บยาวเที่ยวบินทบาดหญิงคนหนึ่งเห็นจึงกล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าเชิญท่านมาเสพเมถุนธรรมกันเถอเจ้าค่ะภิกษุตอบว่ายาเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควร หญิงนั้นกล่าวว่าถ้าท่านไม่เสภดิฉันจักใช้เล็บหยิกข่วนเนื้อตัวเองแล้วส่งเสียงเออะเดี๋ยวนี้ว่าภิกษุรูปนี้กระทำมิดีมิร้ายดิฉันภิกษุตอบว่าจงรู้เองเถิดน้องหญิงลำดับนั้นหญิงนั้นใช้เล็บหยิข่วนเนื้อตัวเองส่งเสียงเอะว่าภิกษุนี้กระทำมิดีมิร้ายดิฉันคนทั้งหลายวิ่งเข้าไปจับกลุ่มภิกษุนั้นได้เห็นผิวหนังบ้าง เลือดบ้างที่เล็บมือของหญิงนั้นจึงกล่าวกันว่านี้เป็นการกระทำของหญิงนี้เองพิกษุนี้ไม่ได้เป็นตัวการแล้วปล่อยภิกษุนั้นไปครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านไว้เล็บยาวหรือภิกษุนั้นตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตาหนิประนามโพนธนาว่า ะนัยภิกษุจึงไว้เล็บยาวเล่าจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงไว้เล็บยาวรูปใดไว้ต้องอาบัตุ ก, กฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้เล็บมือตัดเล็บมือบ้างใช้ปากกัดเล็บบ้างใช้เล็บมือครูดที่ฝาผนังบ้างนิ้วมือเจ็บ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 เรื่องขัดเล็บสมัยนั้นพวกพิสุชาพาคีช่วยกันขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าทำเหมือนขอรหัสผู้บริโภคกรมภพิสุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บรูปใดขัดต้องอาบัตทุกฏ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แคคขี้เล็บได้เท่านั้นเรื่องมีโกนสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไว้ผมยาวภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุสามารถปรงผมให้แข ก, กันได้หรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าสามารถพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมีโกนหินลับมีดฝักมีดผ้าพันมีดเครื่องใช้โกนทุกชนิดเรื่องแต่งหนวดสมัยนั้นผู้ภิกษุชาภพัคคีช่วยกันแต่งหนวดปล่อยหนวดไว้ยาวไว้คราวยาวเหมือนหนวดแพะช่วยกันแต่งหนวดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ช่วยกันแต่งขนหน้าอกช่วยกันแต่งขนหน้าท้องช่วยกันแต่งนวดเป็นเขี้ยวงงช่วยกันโกนขนในที่แคบคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนขรหัดผู้บริโภคการภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงช่วยกันตัดนวดไม่พึงปล่อยนวดไว้ยาว ไม่พึงไว้คราวยาวเหมือนหนวดแพะไม่พึงช่วยกันแต่งหนวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่พึงช่วยกันแต่งขนหน้าอกไม่พึงช่วยกันแต่งขนหน้าท้องไม่พึงช่วยกันแต่งหนวดเป็นเขี้ยวงงไม่พึงช่วยกันโกนขนในที่แคบรูปใดช่วยกันโกนต้องอาบัดทุกกฏเรื่องทรงอนุญาตให้โกนขนในที่ลับสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลในที่แคบยาทาไม่ติด ทายาไม่ติดภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โกงขนในที่แคบได้เพราะอ า, าพาเป็นปัจจัยเรื่องการไก่สมัยนั้นพวกภิกษุชาวพัคีใช้การไก่ตัดผมคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนขจรหาผู้บริโภคกาม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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้กรรไกรตัดผมได้เพราะอาภาเป็นปัจจัยเรื่องไว้ขนจมูกสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายปล่อยขนจมูกไว้ยาวคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนปีศาจภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงไว้ขนจมูกยาว รูปใดไว้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้ก้อนโกรธบ้างขี้พึ่งบ้างถอนขนจมูกจมูกเจ็บภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้แหนบเรื่องพระฉาพัคีถอนผมหงอกสมัยนั้น ผู้พิสุจชาวพะคีช่วยกันถอนผมหงอกพวกคนทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลทนาว่าเหมือนครหัตผู้บริโภคกามภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงช่วยกันถอนผมหงอกรูปใดช่วยกันถอนต้องอาบัตทุกกฎ